50 <tiroir mucho accesible> languages. 99 99คำแสดงความเป็นเจ้าของ Genitivo. แมวของแฟนดิฉัน Algodalameva, miga. s ุนั k ของแฟนดิฉัน ของเล่นของลูกดิฉัน les joguines d e l s meus nens นี่คือเสื้อคลุมของเพื่อนร่วมงานของดิฉันอากีติส์ลาบริกเดลเมูกู l e g a นั่นคือรถของเพื่อนร่วมงานของดิฉันอากีติสลาโคเชเดลเมูกู l e g a นั่นคือผลงานของเพื่อน <an> ร่วมงานของดิฉัน Aquest és el treball dels meus col·legues กระดุมของเสื้อหายไป El botó de la camisa s'ha caigut กุญแ <an> จโรงรถหายไป La clau del garatge no hi és คอมพิวเตอร์ของหัวหน้าเสีย L'ordinador del espatllat. cap és ใครคือพ่อแม่ของเด็กผู้หญิง Qui s ó n e l s p a r e s de la nena? ดิฉันจะไปที่บ้านพ่อแม่ของเขาได้อย่างไร c o m a r r i b o a la casa de l s s e u s p a r e s บ้านอยู่ตรงสุดถนน La casa é s al cap del c a r r e r เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ชื่ออะไรก็มัสเดียวลาคาปิตาล s าสวิสหนังสือชื่ออะไรคินเนซาลติทูลดาเกติเบระลูกๆของเพื่อนบ้านชื่ออะไร com es diuen els nens dels veïns โรงเรียนของเด็กๆปิดเทอมเมื่อไหร่ คุณหมอทำงานกี่โมงถึงกี่โมง Quines són les, Qu les hores de consulta del metge? เวลาทำการของพิพิธภัณฑ์คืออะไร q u i n s โซนลาสโอลาริสดูบาร์ตูราดาลมูเ